สองร้อยห้าสิบเจ็ดอำนาจคืออะไรเรามีสติอยู่อย่างเป็นอธิปไตยในสังคมในโลกเราเองมีปัญญาอยู่อย่างอุตระ ในสรรพสิ่งที่เราสามารถจัดการกับชีวิตจิตใจของเราได้อย่างสมบูรณ์เพราะใจเป็นประธานสิ่งทั้งปวงใจประเสริฐยิ่งสุดสำเร็จได้ด้วยใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเรามีอำนาจที่เป็นธรรมอยู่ในโลกที่เราอยู่ด้วยทั้งปวง เรามีอำนาจที่เป็นอุตระในตัวเราเองอัตตาอาัตามันเด็ดขาดอำนาจที่เป็นอธิปไตยคืออะไรเราก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงปัญญาที่เป็นอุตระคืออะไรเราก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงและมีอำนาจเหนือทั้งโลกทั้งอัตตาด้วยโลกุตระจิตของเรา เราหมดสงสัยว่าใครสร้างหรือใครกำหนดความเป็นโลกให้แก่ใครกันแน่โลกคืออะไรตนเองอาตาหรืออาตมันคืออะไรอำนาจในโลกหรืออำนาจของโลกโลกาทิปไตยคืออะไรอำนาจในตนหรืออำนาจของตนอาตาทิปไตยคืออะไร คนอยู่เหนือโลกคืออย่างไรคนทำตนให้หลุดพ้นความไม่มีตนอนา ต, ตาได้อย่างไรผู้มีธรรมะที่เป็นอำนาจธรรมมาทิปไตยจึงสามารถจัดการความเป็นโลกและความเป็นตนได้อย่างสมบูรณ์